بسم الله الرحمن ا ل رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله رب وإسلام دينا وبمحمد رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีเจาาลอสุบฮานะหัวตาและประสบแดพี่น้องที่มาเรียนกุรอาทุกๆ ท, ท่านนะครับวันนี้เราจะเริ่มอ่านต่อจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าเสารที่แล้วเนี่ยเราหยุดพักไปหนึ่งเสารอยู่ที่อายะที่67อายะที่67สุเร อ, อัลมาอีดายุสที่6 ใครที่อ่านหนังสือเป็นยุสนะครับเล่มที่หกแล้วนะยุส์ที่หกยาอิยูฮรารอซูลบั ล, ลิกมาอุนซีลาอีไลกามิรอ บ, บิกนะอายาที่หกสิบเจ็ดนะครับก็อัลฮัมดุดลิลละสุโก ต, ตอลัลลอฮุบะฮานหัวตาลาวันนี้ก็อากาศหนาวนะครับอัลฮัมดุดลิลละอ่าเหมือนเรียนอยู่แถวเชียงใหม่ะ อากาศเย็นดีก็มีประกาศนะมีประกาศจา อ, อไม่รู้เป็นหน่วยงานอะไรเขาบอกว่าให้เลื่อนการอาบน้ําได้ช่วงนี้เจ้าเช้าไม่ไหวอาบก็ไปอาบตอนบ่ายเที่ยงได้มันหนาวแต่แต่เช้าผมอาบนะเอาเรื่องอยู่ธรรมริลทร์ะครับ ก, ก็เ้าเยาะแย่กันนะ อ่าเริ่มที่ฟาติฮ์วันนี้มีสองชั่วโมงนะครับมีสชั่วโมงนะเดี๋ยวมีอาจารย์สมิธมานะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัสชัยตานิราจีมบิสมิลลาฮิรลอห์มานิรอรฮีม الحمد لله رب ا า ع ا ل م ي ن الرحمن الرحيم م ก ل ك ي يوم الدين อียาค์นะ عبدوا อียาค์นะสตัยน์อิฮดีน ي ศรัทธาลุ่มตั้งศรัทธาที่นั้นอันงามต่ำให้ غير المغضوب عليهم ولا الضالين อ و ل นอ้า ل ل ิงอาบูบิล ل าฮิมินอ ا ชั ي ตาَ ا ل ر จิม يا أيها الرسول بلِغ ما أنزل إليك مر ربِك و َ إ ِ ل َّ م َ تَفْعَل فَمَا بَلَغَ تَرِسَالَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ م ِ ن ا ل ن َّ ا س อินนัลลอฮะลา์ดิลกอมาฟิรินอินนัลลอฮะลา์ดิลกอมาฟิรินอ่ามาดูความหมายนะครับนะอันนี้เขาแยกอายะออกมาเลยหนึ่งอายะแล้วเขาก็มีตับซีดนะบาง เ อ, อบางทีอาจจะเป็นสองอายะหสามอายะแล้วก็ตัฟซีดทีหนึ่งถามว่าทําไมเวลาเอาอายะหสองอายะรวมกันละ่ะเพราะมันคืออยู่ในเรื่องเดียวกันนะเข้าใจนะนว่ามันต่อเนื่องกันเวลาตัฟซีดเนี่ยเป็นเรื่องเองมันจะได้ไม่ปนกันอายะนี้เนี่ยแยกออกมานะครับเป็นเรื่องตัฟซีดเดียเด่ยวๆเลยก็คือว่าอัลลอฮ์พูดได้ส่งศารนะแล้วก็ได้ตรัส เป็นการส่วนตัวเลยกับใครกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวายฮิวะซัลลัมอายานีนา้นะเป็นการสนทนาระหว่างอัลลอฮ์กับท่านนาบีย า, อ, า, อ, าอิยูฮ์รอซูลโอศาสนทูตเอ๋ยรอซูลก็คือศาสนาทูตนะบลิกมานะบลาบาก็ตับลิกนะแปลว่าจงเผยแร่นะ มาอุนซิละสิ่งที่ถูกประทานอิไลกะยังแก่เจ้ามิรอบบีกะจากพระผู้อภิบาลของเจ้านะตรงนี้เป็นคำสั่งใช้ให้เผยแพร่นะครับแล้วเราบอกต่อว่าว่าอิลัมตฟอัลฟามาบัลลัตะรีซาละตะถ้าเจ้ามิได้กระทำเจ้าก็ไม่ได้เผยแพร่สารของพระองค์ ถ้า Allah อัลลอฮ์ไม่ใช่ถ้าท่านนาบีเนี่ยมีการปกปิดนะไม่ได้นําอายะหนึ่งอายะใดเนี่ยมาให้กับคนที่เป็นเป็นใครนะเป็นเหล่าซฮาัฮบะเนี่ยแน่นอนว่าคําหลักธรรมคาสอนอิสลามก็จะไม่มาถึงพวกเราทั้งหลายนะซึ่งเราฟังแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะแน่นอนว่าท่านนาบีจะต้องบอกทั้งหมดแต่ท่านเชื่อไหมว่ามันมีบาง มุสลิมบางกลุ่มหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมบอกว่าคุรานยังไม่ครบมีคุรานที่สมบูรณ์แต่อิม่ัมคนนึงเอาเข้าไปอยู่ไว้ในถ้ำไอ้ที่เราอ่านก็เนี่ยังไม่ครบหรอกมีพวกนี้บอกอยู่พวกชี <c oughs> อนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> อุตษาไม่พูดเยอะเลย <c oughs> พวกนี้บอกว่าคุรานที่สมบูรณ์เนี่ยอิม่มัมอยู่ที่อิมัมมาดีหลบอยู่ในถ้ำมีคําถามก็ถามว่า เราอิสลามเราได้อะไรจากการที่อิหมัมไปอยู่ในถ้าเป็นเป็นร้อยรอยปีมีประโยชน์อะไรถ้าเรามีของดีเนี่ยทําไมเราไม่เอามาบอกจะเก็บไว้ทําไมถูกไหมครับดังนั้นท่านนาบีเนี่ยได้รับกุฎอ่านมาซึ่งกุฎอ่านเป็นของดีไหมเป็นของดีหน้าที่ในการที่เราจะทําให้ความดีมันสานต่อก็คือต้องนํามาบอกมาเผยแพร่เห็นไหมนะ ดังนั้นใครที่บอกว่านาบีเนี่ยปิดบางอายะบางอายะเอาไว้นั่นถือว่าเป็นคนที่โกหกใส่นบีถือว่าโกหาแรงนะโกใครคือโกหกไปยังท่านนาบีแน่นอนฟัตยะตะบาวะมะกไอยดอร์มีนันนาตให้เตรียมที่นั่งเอาไว้เลยเป็นที่นั่งวีไอพีก็คือในนรกเป็นที่นั่งวีไพีพิเศษเอาล็อเตรียมไว้ให้แล้วใครโกหกใส่นบีนะ ดังนั้นไม่มีการปิดบงังคราวนี้ท่านญิงไงช้าบอกมีอยู่อายะหนึ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้คือมีไหมที่อัลลอฮ์ได้สอนนบีในเชิงแบบตําหนินิดนิดคือเราก็ต้องพูดนะว่าท่านนาบีเนี่ยเป็นบุคคลที่ดีที่สุดแต่ในมุมนึงก็คือท่านนาบีก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกมีอารมณ์มีความเศร้ามีความโกรธแต่แน่นอนแหละในการควบคุมของท่านนาบีเนี่ยที่สุดแล้ว อ่าเราเนี่ยเทียบเรื่องของการควบคุมอารมณ์ไม่ได้แน่แต่บางครั้งอัลลอฮ์ก็ได้มีการสอนอยายะห์นึ่งเดี๋ยวพี่น้องผมอ่านให้ฟังนะอยู่ในสุระอนอัลอาฮิซับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถามพี่น้องว่าเรื่องอะไรอผมยังตอบไม่ได้เลยตอนแรกนะจนกว่าทั่งผมไปค้นมานะอ่าอยะห์นี้นะท่านหญิงไอชาบอกว่าถ้า น, นาบีจะซ่อนสักอายะห์นึ่งเนี่ยอยายะห์เนี่ยเหมาะในการซ่อนมากในการที่จะปกปิดเขาพูด นักษณะที่ทำให้นบีเนี่ยเหมือนจะถูกตำหนิด้วยบอกว่าไงวะตุกฟีฟีนับซิกามัลอหุมบดีฮี่และเจ้าได้ซ่อนไว้ในจิตใจของเจ้าก็คือหมายถึงท่านนาบีนะอ่าวะตักชนนสเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงเปิดเผยมันนะเพราะอะไรอ่ะวะตักชนนสเพราะเจ้าเกรงกลัวมนุษย์วะลอหุอะฮักกูอันตักชาหแต่ อัลลอฮ์นั้นสมควรยิ่งที่เจ้าจะเกรงกลัวมากกว่ามนุษย์ถ้าเราอ่านแค่นี้เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นเรื่องของลูกเลี้ยงท่านนาบีก็คือเจดบินทาริซาที่แต่งงานกับท่านหญิงไซนับบินตียะชินเพราะท่านนาบีเนี่ยไม่อยากให้เจดเลิกกับท่านหญิงไซนับแล้วสุดท้ายนาบีก็พยายามไปบอกกับเจดอย่าเลิกอย่าเลิกนะแต่คนเราเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้ ทำยังไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ดีแหละเหมือนกับเรามีลูกคนหนึ่งเนี่ยที่มันทะเลาะ ก, กันทุกวันทุกวันเนี่ยมะก็บอกอย่าเลิกนะลูกเอ้ยมาขายขีหน้าเขาอุตส่าห์แต่งงานไปดังหลายบาทการยังยังไม่ทันยังไม่ทันแห้งเลยเนี่ยจะเลิกกันแล้วเนี่ยแต่ถามว่าคนเรามันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะมะไม่ได้มาอยู่ด้วยนี่ลูกเขาอยู่ันสองคนสุดท้ายเลิกกันท่านอบีไม่อยากให้เลิอกอยากให้อยู่ด้วยกัน แต่ด้วยกับปัญหาต่างๆก็ทำให้เลิกรากันและสุดท้ายเมื่อเลิกกันอัลลอฮ์ลงวะฮีให้นบีแต่งกับใครแต่งกับ่านหญิงไซนับบินตียะชินคราวนี้ก็เกรงว่าคนจะวิจารณ์นบีเพราะอะไรไปแต่งงานกับภรรยาลูกเออซึ่งจริงๆมันแต่งไม่ได้หรอกแต่จริงๆแล้วเจดบินฮาริซาไม่ใช่ลูกนบีเป็นลูกบุญธรรมเป็นคนอื่น แต่ถ้าเป็นลูกจริงๆแต่งไม่ได้นะเพราะเพราะอัลลอฮ์ต้องการจะทำลายความเข้าใจผิดของคนในสมัยจาฮิริยะว่าลูกบุญธรรมเสมือนกับลูกลูลกแท้ๆรับมรดกได้อยู่ในบ้านได้โดนและอะไรนะสัมผัสกับลูกจริงๆได้จริงๆคนอื่นเลยเนี่ยไม่ได้อิสลามต้องการที่จะให้เข้าใจตรงนี้ว่าเป็นคนอื่นจริงๆก็คือคนอื่นแต่เราได้บุญจากการอุปการะเป็นลูกบุญธรรม นะส่วนลูกเลี้ยงเนี่ยหมายถึงลูกที่ติดภรรยามานี้อีกเรื่องหนึ่งนะลูกบุญธรรมคือเป็นคนอื่นเลยแล้วเราเห็นเอ็นดูสมมติผมไปเจอเด็กคนหนึ่งเป็นซีเรียโอ้โหสวยเลยผู้หญิงตอนยังเป็นปเด็กอยู่เลี้ยงไปเลี้ยงมาโตเป็นผู้ใหญ่เกิดชอบจะแต่งงานก็แต่งได้เพราะอะไรพราะเอามาเลี้ยงไะแล้วก็เกิดความรักก็เป็นคนอื่นอยู่ดีแหละเพราะมันไม่ถือว่าเป็นลูกเราแท้ อ่ไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะไม่ต้องม <laughs> เนี่ยพอมองแบบนี้คิดฉันคิดไปไกลแล้ว <laughs> ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถามว่าถ้าทําได้จะไปว่าเขาได้ไหม <laughs> ไม่ได้หรอกเฮ้ยไปเอาลูกมาทําเมียลูกที่ไหนล่ะแต่ความรู้สึกส่วนใหญ่แล้วถ้าเลี้ยงมันก็จะรู้สึกเป็นเป็นลูกนั่นแหละอันนี้พูดเฉยนะแต่สมมติถ้าจะแต่งงานมันก็แต่งงานได้มันนี่ก้าซ้อดิเพราะเป็นคนอื่นเอามารับเลี้ยงอ่าอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังก่อนอ้แย่กูอานเนี้ย ถ้าเราไม่อ่านเราก็ไม่รู้ผมก็ไปค้นค น, นี่ยนะเวลาอ่านมาผมเพราะว่าเขาไมา่ได้อธิบายต่อผมก็ไปนค้นดูแล้แลวอายะกุรอานนี้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเจดบินฮาริซาลูกเลี้ยงนบีนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะท่านนบีโดนเป็นกระบุดขอโทษ น, นะเป็นตำบลกรสุนตกเลยพวกใหญ่เรียว่านาบีเสียหายว่าเอาลูกเอาอะไรนะเอาภรรยาลูกมาทําเมียโอ้โหโดนข้อหานี้โดนฟิตนาใหญ่เลยก็อัลลอฮ์บอกว่าอย่าไปกลัวมนุษย์มันปากขี้ปากมนุษย์ทําอะไรได้ละ่ะให้กลัวอัลลอฮ์ เราทำถูกสยอย่างกลัวอะไรน ะ, <c oughs> อ, ะอีอันหนึง่งอีอแล้วก็เราบอกว่านี่วัลลอฮุยะซีมุกมีนา น, นาสเป็นสัญญาณของอัลลอฮ์นะว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงคุ้มครองให้เจ้าเนี่ยพ้นจากภัยของมนุษย์เนะี่ยพ้นจากอันตรายจากมนุษย์มีคำพูดของท่านซูรี่บอกว่ามีนัลอลฮิริซาละ สาลเนี่ยมาจากอัลลอฮ์สารก็วาฮีนัน่นแหละมาจากอัลลอฮ์แล้วก็เมื่อมาจากอัลลอฮ์เนี่ยคนที่นํามาเผยแพร่ว่าอาละล่ลารซูหรบันแลกนบีนําศารของอลอสมาเผยแพร่เมื่อนบีเอาสารของอลอสมาเผยแพร่ว่าอะไลนาอัตสลีมพวกเราเมื่อรู้แล้วว่านาบีเอามาพูดหน้าที่ของเราก็คือยอมรับแล้วก็ปฏิบัติเห็นไหมคราวนี้ ถามว่าท่านนบีเนี่ยทําหน้าที่บกพร่องไหมในการเผยแพร่ศาธรามีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนที่นบีเนี่ยกล่าวปาศัยในฮัตอัมลานบีจะลาละฮัตฮัตส่งท้ายนะครับเพราะหลังจากนี้ประมาณสองเดือนนบีเสียละแต่คนไม่รู้เรื่องหรอกตอนนั้นก็คิดว่านบีคงอยู่อีกนานไม่คิดว่านบีตายด้วยแต่ว่านบีเนี่ยพูดเป็นก็เลยเป็นลางอะนะเป็นไหนๆเป็นเป็นก็เป็นการส่งท้ายละในคุตตาบะวันนั้นเนี่ย ไอยูฮานนัสนบีบอกนะโอ้มนุษย์ทั้งหลายอินนะกุมมัสูลูนะอันนีพวกท่านเนี่ยจะถูกถามถึงการทําหน้าที่ของฉันหมายถึงซาบา น, นี่จะถูกถามด้วยว่านบีเนี่ยทำหน้าที่ดีไหมเออฟา <c oughs> มาอันตุ่มตะกูลูนพวกท่านจะตอบกับอัลลอฮ์อย่างไรถึงหน้าที่ของฉัน Ah ก้ลูนัสเหตุอันนักก็เดบัลลักตาและได้ตาวันสัพตาผู้บรรดาซอบาที่ได้ยินท่านนาบีถามแบบนี้ก็บอกว่าพวกเราจะเป็นพยานยืนยันว่าท่านได้เผยแพร่แล้วปฏิบัติหน้าที่แล้วและได้แนะนําตักเตือนพวกเราแล้วซอบาตอบรับเลยนบีทําอะไรม้างนะเผยแพร่แล้วนะปฏิบัติหน้าที่แล้วนะแล้วก็ทําการตักเตือนนะ และท่านก็ได้ยกนิ้วมือทั้งสองของท่านขึ้นสู่ฟากฟ้าน บ, บียกเลยยกมือขึ้นเลยนะแล้วก็หันกลับมาทางเราขอตอ่อรอบอกว่าเนี่ยฉันได้ทําหน้าที่แล้วนะแล้วก็กล่าวว่าฟาจารยราลฟ้าอุสบะไอฮีอิดะสมาน บ, บียกมือขึ้นส่องฟ้าแล้วแล้วว่ายุคกอลิบุฮาก็หันมาทางพวกบรรดาสัฮาบอีไลฮิมพยักคุลอัลลอห์มะฮัลบัลัตตุ แล้วบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันได้เผยแผ่ฉันแล้วใช่ไหมฉันได้เผยแพร่ศาสนาธรรมแล้วใช่ไห ม, ไ แ, ь, แ, ลไหมและหลายๆครั้งที่ น, บ, นบีพูดศาสนาแล้วก็บอกวพวกท่านเป็นพยานกันนะพวกท่านทั้งหลายเป็นพยานให้กับฉันด้วยว่าฉันได้ทําหน้าที่แล้วอีกอันหนึ่งพี่น้องครับที่อัลลอฮ์บอกว่าละหุยาซีมุกามีนันัสอัลลอฮ์จะคุ้มครองเนี่ยถ้าใครได้อ่านประวัตินบีเนี่ยรู้ไหมว่าช่วงแรกที่นบีมาเมืองมาดีนนะ ไม่มีค่ําคืนไหนเลยที่นบีจะนอนหลับได้สนิทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งยังยังถูกตามล่าฆ่ามาจากตอนที่อยู่มะกาพอเข้ามาเมืองมาดินนะพวกมุชดิกีเนี่ยส่งพวกสายสืบมาจ้องจะทำร้ายนาบีแล้วมุกร์เนี่ยมันไม่มีวีซ่านี่มันก็เดินเข้ามาก็ได้หมดแหละใครจะมารอบแทงนบีรอบทำร้ายนาบีกลางคืนเนี่ยท่านหญิงไอชาอไรายงานบอกว่านาบีไม่เคยนอนหลับสนิทเลย สุดท้ายมีอยู่ค่ําคืนหนึ่งก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊แกก๊อกแก๊กอยู่ที่ตรงหน้าบ้านน บ, บีก็ถามว่าใครเนี่ยเขาบอกว่าฉันคือซาดบินมาลิกจริงๆชื่อซาดบินอบีวะกอสเราจะเรียกกันว่าซาดบินบบีวะกอสคืออบบีวะกอสเนี่ยเป็นฉายาของพ่อของท่านชื่ อ, อว่ามาลิกพอไปเจอเนี่ยเขาเขียนว่าซาดบินมาลิกใครจริงๆก็คือซาดบินอบีวะกอสก็บอกว่าฉันเอง แล้วก็ถามนาบีว่านาบีมาถามว่าซัดมาทําอะไรเนี่ยฉันมาคุ้มครองนบีดาบถือแล้วก็ยืนเฝ้าอยู่หน้าบ้านท่านหญิงไอ้ช บ, บอกว่าวันนั้นแหละเป็นวันแรกที่ฉันได้ยินเสียงกลทา น, นาบีตั้งแต่อพยพมากลในปแปลว่าอะไรรับสนิทเนี่ย <laughs> นบีก็นอนกลน ะ, ะท่านหญิงไอ้ช้า บ, บอกว่า เนี่ยฉันเป็นคืนแรกเลยนับตั้งแต่ อ, อพยพมาว่านบีหลับสนิทจริงๆหลับแบบไม่มีกังวลอะไรแล้วก็หลับนอนหลับสนิทเลยมีได้ยินเสียงคนหลังจากซาบินะบีว่ากอดมาเฝ้านบีหลังจากนั้นทุกคนที่เป็นซอบ้านนบีผัดกันมาแต่งงานเมียใหม่ๆนะเมียไว้ก่อนขอเฝ้านบีก่อนเอเมียบอกคืนนี้คืนแรกไว้ก่อนฉันขอเฝ้านบีก่อนสลับกันอยู่งั้นเน่ะเหมือนมีงานเลี้ยงอะ เฝ้ากันอยู่จนกระทั่งอายะนี้ลงมาว่าวัลอฮุยะซีมูกามินนาสพออายะนี้ลงมาท่านนั้นแบีชางโวกมาที่หน้าต่างหน้าบ้านบอกว่ากลับไปได้แล้วกลับไปไปอยู่กับเมียท่านไปอยู่กับลูกท่านเอาทําไมอ่ะอัลลอฮ์ลงวะฮีมาแล้วว่าพระองค์จะเป็นผู้คุ้มครองตัวฉันซอบ้าก็ไม่ต้องเฝ้าแล้วนะนี่คือที่มาของอายะนี้นะเออ อัลลอฮ์ดูแลทุ่มครองนบีซอบาก็ไม่ต้องมาเฝ้าแล้วแต่ในมุมหนึ่งนะในสงครามบาดัตเนี่ยก็มีคนที่คอยเฝ้านาบีตลอดนะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอัลลอฮ์คุ้มครองปับ๊บอ่านาบีลุยเลยคนเดียวเลยไม่ใช่ไม่ได้ก็อยู่นั่นแหละแต่ในภาวะหนึ่งที่ต้องหอยแบบอยู่ตลอดเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นแต่ในภาวะสงครามแน่นอนว่าต้องมีคนคอยประกบท่านนาบีอยู่แล้วนะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่า อินนั่ลลอฮ่าเลียห์ดินกัลมันกาฮรินอลอเนี่ยนะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเนี่ยจะไม่ทรงให้ทางนํากับกลุ่มชนผู้ที่ปฏิเสธตอนนี้เข้าใจไหมพี่น้องครับว่าหมายถึงอะไรหมายถึงเจ้าก็หมายถึงตัวท่านอบีเนี่ยให้เผยแพร่ไปและอัลลอฮ์เนี่ยจะทําให้คนเนี่ยรับอิสลามนะหมายถึงได้รับฮีดายะด้วยกับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ และก็คนที่หลงทางเนี่ยด้วยกับพระประสงค์ของพระองค์นั้นในอัยากุรอันหนึ่งที่พูดถึงว่าใครอยากศรัทธาเชิญใครอยากปฏิเสธก็ตามนั้นเชิญ น, นะนคนที่อัลลอฮ์ดนใ จ, นใจแต่ว่าในการดนใจของอัลลอฮ์แน่นอนว่าคนคนนั้นต้องมีหัวใจที่ดีด้วยนะคือคนที่อัลลอฮ์ไม่ดนใจให้ก็คือเป็นคนหัวใจเลยหัวใจบอดไงตัวคนนั้นเน่ยเป็นคนที่นิสัยแบบนั้นมันมีไหมล่ะพี่น้องลองดูซิว่าเราเราที่พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ย แต่ก็ไม่เคยที่จะสนใจในคำที่เป็นสัจธรรมอ่านต่อนะครับอ่านต่อนะอายะที่68กุลยาอัล์ลกิตาบิลสตุมอลาชัยอินฮัตตาตูกีมุตตูรอ و ا ل إ ن ذ ِ ل َ وَمَا أ ُ ز ل إ ل ي ك م م ن ر ب ك م و ا ل ْ ن และยังจะนักที่รับมิ่นหุ่มมาอุ ر ิลเอลิค์มิรับบิคและยนกทรมิหุมมา ละอีละอีคามิรَรับบิคไม่เอื้อละอีละอีคามิร ك รับบิคตุกิยนวักฟรอ فَلَا تَسَعَ لَلْقَوْمِ ا الْكَافِرِينَفَلَا تَسَعَ لَلْقَوْمِ ا الْكَافِرِينَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ อนวันน وا ่าซราอินันแหันอมานบิลลวะลมิ อาล صالح าลาขวุน عليهم ว่าล่าหุมย حز นน่ามาดูความหมายนะครับกุลกุลแปลว่าจงกล่าวเถิด จงกล่าวเถิดใครอะมูฮัมมัดท่านอ บ, บีของเรานะจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดกล่าวว่าอะไรครับยาอะเลนกีตทบโอชาวคัมพีทั้งหลายลัสตุ้มไอเลชัยอินพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดลัสตุมปฏิเสธไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดชัยอินสิ่งใดฮัตตอตูกีมุตเตอรรอต จนกว่าพวกเจ้าเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามคำพีเตารอดอันนี้สำหรับใครครับเนี่ยสำหรับยยหฮดีนะเพราะยยหฮดีเขากออ็อยู่ในประชาชาติของนบีมูซานะก็ต้องปฏิบัติการตามเตารอดเตารอดนะครับวัลอินจีนและก็อินจีนนี่ก็คือของนสอรอนะของนบีอีสา ว่ามาอุนซิลอีไลอแกะมิไม่รับบิกุมนะและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้าตรงนี้ก็หมายถึงกุรา่าญ์นี้เราจะมีคำถามว่าเราจะเป็นคนที่ศรัทธาเชื่อในคำพีเตารอดแต่ปฏิเสธกุ่านได้ไหมไม่ได้นะแสดงว่าพวกเราเนี่ยคือบุคคลที่สมบูรณ์และ สมบูรณ์ในเรื่องของหลักความเชื่อที่ถูกต้องทั้งหมดสมบูรณ์หมายถึงว่าไม่ได้ ว, ว่าไม่มีอะไรผิดเลยนะมีความผิดอยู่แล้วแหละแต่พูดถึงว่าในหลักความเชื่อที่เรารับมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นหลักความเชื่อที่ครบท้วนสมบูรณ์เพราะเราศรัทธาทั้งหมดเลยเตารอน อ, อินจีนก็อยู่ในการศรัทธาของพวกเรามีคนถามว่าเราเชื่อในคมพีเตาร้อนไหมเชื่อเราเชื่อในคัมพี์อินจีนไหมเชื่อแต่มันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้เราไม่รู้เพราะมันมีการสังขยานามีการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนว่ามีอยู่ในเตารอนและก็อินจินคือการพูดถึงศาสนาทูตท่านสุดท้ายก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดนะงนั้นเป็นคริสตอย่างเคร่งครัดเลยเป็นยโฮวดอย่างเคร่งครัดเลยแต่ปฏิเสธนบีมุฮัมมัดจบไหมก็จบก็เป็นกาเฟสดทะเลเอาน ะ, นะเอาต่อมาวะเลยาดีดันนักซีรอนนะอัลลอฮ์จะเพิ่มเพิ่มอะไรรู้ไหมการละเมิด พอยิ่งยืยิ่งดื้อด้ยิ่งดื้อด้านที่จะปฏิเสธกุอานไม่ยอมรับกุฎานเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นคนที่ละเมิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกุรอานเนี่ยลงมาเนี่ยทอยอยลงมาถูกไหมอายะที่หนึ่งปฏิเสธหนึ่งอายะพออายะที่สองลงมาปฏิเสธสองอายะแล้วคราวนี้หลักทำคําสอนลงมาคราวนี้เพิ่มการปฏิเสธไปเรื่อยๆเพิ่มการละเมิดไปเรื่อยๆนะทั้งๆดีจริงๆแล้วเนี่ย หน้าที่ของคนที่ศรัทธาต่อเตาร้อนและอินจีนเนี่ยก็คือต้องยอมรับในกุรานนะแล้วเราบอกต่อว่าเอ่อมามิห์ฮุมมาอุนซิลาอิเลยกะมิรอบบีกะตูกิยานาวะกุฟรอในการละเมิดเนี่ย Allah จะเพิ่มให้เรื่อยๆนะและการปฏิเสธศรัทธาจํานวนมากในหมู่พวกเขาดังนั้นพวกเขาจะเป็นคนที่เสียใจนะจะเป็นคนที่เสียใจ นะาลาตาซาและเกามินแกฟิรีนและพระเจ้าก็จงอย่าเสียใจขอโทษทีตรงนี้ลาตะตรงนี้หมายถึงเมื่อใจอย่าเสียใจในกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นอันนี้หมายถึงกับมาที่นบีมุฮัมมัดอ่าคือคนเราเนี่ยมันก็มีความหวังกันนะอันนี้เป็นเรื่องปกติมนุษย์เราเนี่ยถ้าทําอะไรแล้วไม่มีจุดมุ่งหวังเลยเนี่ยมันกข็ขาดแรงใจนะแต่บางอย่างเนี่ยมันเป็นความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันนะ เช่นเวลาที่เราทําดีกับใครแล้วไม่ต้องหวังคําชื่นชมก็คือเราหวังจากอัลลอฮ์ไง เ, เราหวังจากพระเจ้าแต่ถามว่าเขาจะไม่หวังไหมมันอาจจะมีบ้างอย่างน้อยก็เอิมเจอหน้ากับทักทายกันบ้างาแต่ว่าแน่นอนแหละสิ่งที่เขาหวังเขาหวังความหวังผลบุญจากอัลลอฮ์แต่ครั้นี้เช่นเดียวกันว่าทั้งที่ที่อัลลอฮ์ Allah บอกอนะว่าฮีดายะเนี่ยเป็นเป็นสิทธิ์ของพระองค์เท่านั้นไม่มีใครให้ฮีดายะได้ ใช่ไหมครับแต่ท่านนาบีทําหน้าที่บอกให้ได้รู้ส่วนเรื่องจะรับไม่รับอยู่ที่พระองค์อัลลอฮ์มอบไปที่พระองค์เลยแต่ถามว่าเวลาเราสอนหนังสือเด็กเนี่ยเราอยากให้เด็กเชื่อฟังไหมละ่ะเราก็อยากให้เด็กเชื่อฟังอยากให้เด็กเข้าใจหรืออยากให้เด็กเป็นเด็กดีแต่ว่าพอเวลามันเด็กเจอเด็กดือ้อมันก็ทําให้เราเสียใจเหมือนกันอุภาองาศาสอนไปโอ้โหเป็นปีๆดูดิไม่โอ้โหเราแทบจะ ม, มัน ก, มนก็มันก็เสียใจมนุษย์แต่ มันก็กําลังใจหมดเช่นเดียวกันกับที่ท่านนาบีกําลังสอนพวก อ, อารุ่นกีตาบอยู่อยากจะให้ยาฮูดเนี่ยรับอิสลามแต่มันก็ดือ้อเหลือเกินอัลลอฮ์จึงต้องปิดท้ายอยายะบอกว่าอย่าไปเสียใจเลยนะกับสิ่งที่พวกเนี้ยปฏิเสธศรัทธาเพราะด้วยกับ ก, บกมูลสันดาลเนะ่ยพูดตรงๆก็คือในจิตก้นบึ้งของมันเนี่ยมันเป็นพวกที่ไม่เอาอะไรอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปอย่าไปท้อแท้แล้วก็ให้ดําเนิน การต่อไปเอาต่อมาอินนัลเลดีนาอามาโแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาวัดลดีนาฮาดูฮาดูตรงนี้หมายถึงบรรดาผู้ที่เป็นยูฮาดูตรงนี้แปลว่ายูเลยนะแล้วก ok, so ็วัดซอบิอูนนี่แหละซอบิอูนเนี่ยพวกไหนซอบิอูนเนี่ยบางคนนะอ่าบางคนซอบอูนเขาหมายถึงเป็นกลุ่ม กลุ่มหนึ่งจากชาวคริสต์ส่วนยโฮต์เนี่ยก็คือคนที่ปฏิบัติตามคัมภีรเตารอดซอบีอูนก็คือกลุ่มหนึ่งจากชาวคริสส์ส่วนมูจาฮิตเนี่ยบอกว่าไม่ใช่คือพวกมายูซีอะพวกที่บูชาไฟไม่มีศาสนาบางคนบอกว่าซอบีอูนคือพวกที่นับถือดวงดาวมีไหมคนเชื่อดวงดาวเป็นพระเจ้ามี พวกนี้เขาจะอยู่กับการดูจากกาักรราศีทําอะไรเนี่ยต้องมีต้องมีมีเครื่องยอะมันเขาเรีเยกอะไรมีวิธีการเยอะจะออกบ้านจะออกรถต้องดูเลิกดูราศีพวกนี้ก็จะอยู่กับท้องฟ้าแต่ลืมไปว่าใหญ่กว่านั้นคืออะไรคือผู้สร้างท้องฟ้ามันดูตลอดทุกวันแต่ไม่รู้จากอัลลอฮ์ว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ใช้ประโยชน์นะใช้ประโยชน์จากท้องฟ้าแต่ใช้ประโยชนจากดวงดาวแต่ไม่รู้จักผู้สร้างนะก็เด็กซอซอบีอูน นะแล้วก็วันนซอรอวันนอซอรอก็แน่นอนพวกคริสตนะครับอ่ะมันเอ่อม่น้บินแลฮิวันเยอมินอาคริสจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้คุณจะเป็นซอบิอูนเป็นเอทิสไม่นับถือศาสนาเลยเป็นยิวเป็นคริสนะแล้ววันหนึ่งศรัทธาต่อ a l ะ a h เข้ามารับอ伊斯兰ศรัทธ า, าต่ออัลลอฮ์และวันบรรุรุษโลกและก็ปฏิบัติความดีงามนะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติความดีงามวะฮ์มิลาซอลิหันฟะละเขาฟุนอะไรหิมวะลาหุมยาสนูนพวกเขาก็ไม่ต้องกลัวใดๆไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาคําว่ากลัวตรงนี้เนี่ยกลัวตอนไหนรู้ไหมพี่น้องตอนไหนตอนที่ใกล้จะตาย ใกล้จะตาย พ, พระเรียพระ ง, ง่าบเลว็วอ่ะคือทุกคนเนี่ยจะอยู่ในภาวะขับขันที่สุดก็คือช่วงวิญญาณออกจากร่างช่วงนั้นนี่คือโอ้โหมันเป็นช่วงที่อธิบายไม่ได้เพราะว่าผมก็ยังไม่เคยตายนะ <c oughs> อาจารย์รู้ด้วยแหละวผมก็ไม่เคยตายนะแต่แค่หายใจไม่ออกนี่ก็อึดอัดตายหน่าดูแล้วเอแต่มันเป็นช่วงขับขันของชีวิตจริ ง, รงๆแหละช่วงที่วิญญาณจะออกจากร่างแล้วอัลลอฮ์ก็จะ เบิกนตเราเบิกนตให้เห็นให้เห็นใครรู้ไหมผู้ที่จะมาเก็บวิญญาณตอนนี้เราไม่เห็นหรอกนะแม้กระทั่งมุงอะไรแน่เนี่ยเรากีบุญอติส์เนี่ยจดบันทึกซ้ายขวาก็ไม่เห็นแต่คนแต่สิ่งแรกที่ก่อนจะตายที่เราจะเห็นก่อนตายเลยนะก็คือ Allah เอาล้อเบิกเนธให้เราเห็นมาอะกินมูดเราจะเห็นพอเห็นปั๊บเนี่ย เรารู้แล้วจะตายอะคนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นนะเราเห็นอยู่คนเดียวเราจะตายเดี๋ยวเราเห็นนะเสร็จแล้วมาเลกานี่แหละก็จะมาแจ้งฟาราเขาฟุนอะไรว่าอับชิรูบินจันนะฉันเอาข่าวดีมาบอกนะจะไปสวรรค์อย่าเสียใจนะอย่าเสียใจอย่าเศร้าโศกไปไอ้ข้างๆเนี่ยร้องไห้หมดแล้วไอ้ข้างๆร้องไห้โอ้ยมาเอ้ยมาจะไปแล้วร้องไห้แต่คนตายไปไงดีใจ อาทำไมดีใจละ่ะพร่อมาเลก้ามาแจ้งแล้วว่าเดี๋ยวจะไปสวรรค์เอออันนี้คนดีนะแต่คนไม่ดีเรื่องนึงคนอีเป็นดีต้องข้ามเลยแ อ, อนั้นที่อลัลอพูดถึงความกลัวจริงๆเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะแม้กระทั่งกลัวจนกลัวนูน่นกลัวนี่ยแต่ไม่เท่ากับวันที่วิญญาณจะออกจากร่างเพราะวันนั้นคือมันมันที่สุดแล้วจึงอลอจึงแจ้งข่าวดีว่าไม่ต้องห่วงนะคนที่จะ อะไรนะครับที่จะจากจากอีที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเนี่ยจะมีข่าวดีดังนั้นกอีกดากฎข้อ น, นึงนะเขาบอกว่าการจะย้ายจากที่ใดไปที่หนึ่งเนะี่ยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะมีความเจ็บปวดเขาเขาบอกว่าตัวอย่างนะเหมือนกับทุกคนที่ออกมาจากคันมันดาเนี่ยเด็กทุกคนที่ออกมาจากคันมันดาจะร้องไห้เพราะมันคือการเปลี่ยนจากอีโลกหนึ่งที่เขาอยู่ในโลกของคันมนดาแล้วออกมาอยู่ในโลกของมนุษย์แ ก็เปลียนสภาพมาก็ต้องต้องร้องไห้อ่าร้องไห้นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือวันที่เราเสียชีวิตที่จะจากไปสู่อีโลกอีโลกนึงก็คืออลัมบัสซักวันก่อนเนี่ยผมผมไปอ่านในหนังสืออันนึงนะนี่ผมเสริมด้วยทำด้วลนะเขาถามว่าเวลาที่เราวิญญาณออกไปจากร่างเนี่ยอัลลอฮ์จะให้วิญญาณเนี่ยเข้าร่างมาอีกทีหนึง่งตอนนี้มีสองทัศนะทัศนะแรกบอกว่าเป็นแค่วิญญาณอย่างเดียว แต่ทัศนะของจุมพูตเนี่ยบอกว่าวิญญาณเข้ามาในร่างด้วยนะวิญญาณเข้ามาในร่างแม้ว่าจะเหลือแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนไปโดนไอ้เค้งครับเหลือแต่นิ้วก็เข้ามาแล้วก็ทําการสอบสวนเพราะในรายงานบอกว่าจับร่างนั่งแล้วก็มีการถามแต่คราวนี้เนี่ยอัลลอฮฺปิดความรับรู้ของเราไว้ว่าเราไม่เห็นเราเห็นแค่เป็นร่างนอน แต่จริงๆนะวิญญาณมาอยู่ในร่างแล้วก็การแล้วก็ทํำลายส่วนร่างร่างกายที่ที่เราเห็นก็คือบุบสลายเน่าไปและมันก็เลยมีเรื่องเล่ามาเยอะเลยบอกว่าเนี่ยไปเจอขุดหลุมแล้วเจอผ้ากัฟันขีดขาดไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องเล่าทางนั้นแหละพี่น้องเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอการสอบสวนตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺปิดเอาไว้คราวนี้มีคนก็ถามต่อว่าวิญญาณเข้ามาในร่าง นะแล้วก็ทำการสอบสวนแต่อยู่อีกโลกกันนะบัลซักแล้วนะแต่เราไม่เห็นหรอกเราไม่รู้คราวนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรับเห็นเห็นถุงศพที่มันต้องมีการเคลื่อนไหวถูกตีถูกทุบสิเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าคุณลองนึกถึงตอนคุณฝันนะคุณฝันเนี่ยคุณนอนอยู่วิญญาณอยู่ในร่างป่ะอยู่ในร่างตอนนอนเนี่ยอาญญาเคยฝันใช่ไหมแล้วเคยฝันร้ายฝันที่แบบมันโดนตีโดนรู้สึกเจ็บไหมในฝัน เจ็บไหมโอ้ยรู้เจ็กเจ็บในฝันคนฝันนมบรเวนีก็รู้สึกอร่อยนะแต่จริงนอนนี่เฉยเหนือยเลยยกตัวอย่างนะฝันโดนบีบคอโดนอยแต่ร่างกายคนข้างๆเห็นเป็นไงนอนนิ่งเลยเออเออนี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยในดุนยาก็เห็นอร่อยเห็นแล้วนี่ไงในฝันคนทรมานเลยหูวิ่งหนี้หูจะตายเอาเจ็บหมดนะเป็นความรู้สึกหมดเลยทรมานแต่ตัวเป็นไงนอนหลับคอกฟิตคอกฟิต เขาบอกนี่แหละสภาพเดียวของอะไรนะของคนที่ถูกลงโทษในกูบูตก็เราไม่เห็นอะไรแต่วิญญาณเนี่ยโคตรเจ็บเลยโดนทุบปั้งบางอยู่อันนี้ตัวอย่างนะอันนี้เรื่องเรื่องที่มันเป็นเรื่องลึกนิดนึงนะครับอยู่ในหนังสือฟิกกุสุนนะนะเป็นหลากีด้าด้วยจ้าหลายคนเสียงเสียงเสียงาวเลยอ้า สรุปนะก็จะไม่มีอะไรละตัวตนี้ก็คือเรื่องของเสียใจนะเสียใจอันนี้หมายถึงอะไรเราจะตายเราต้องไปเสียใจแล้วเพราะเรารู้กำลังจะย้ายไปอยู่ที่ที่ดีกว่าอ่ะขอเจ็1สิเจ็สิเอ็ดอีกะยะหนึ่งได้ไหมครับนะได้น ะ, ะเดี๋ยวจันสมิทธ์มานะอันนี้อันนี้ไม่มีคำอธิบายเยอะนะครับอ่านอย่างเดียว และก็ได้ ث َ ا ق َ بَنِي إ ِ س ْ ر َ ا ئ ِ ي อล َ أ َ ر ْ س ส ل ْ ن َ ا إ ِ ل َรْ ه ِ م ْ ر ُหُ ل ًกเُ ل َุ م َ ا جَاءَهُمْ เَ س ُ و ل ร بِمَا لَا ت َะว و َ ى ฟูซุฮุมฟาริกะคดบุวะฟาริกัยอะคอตูลุน ว่า حسب อัลลัตตุนฟิตนาตุน فاع มุวะซัมมุไออรอบหนึ่งนะ ว่าฮ ن ซَบุอัลลอฮ์ตะกูนฟิ ف َนَ م ُ و ا وَصَمُّوا ثم تاب الله عليهم َ ثم عموم وصم كثير منهم สซุมมาตานะเริ่มตรงซุ่ม m า t ซุมมาตาบัลลอหูอีกรอบหนึ่งครับซุมมาตบัลลอหลัยฮิมซุมมามูวะซมมูค ث ีรุมมินหุ ม, มบ้า والله بصير بما يعملون อ่านะครับมาดูความหมายนะ70 71แล้วก็ได อ, อดนะอคอนามีซากบานีอิสรออินเราจะได้ยินสำนวนนี้ในสุรออ์อลบากรอนะครับอคอสานะ นะก็คือมีซาก็หมายถึงอะไรแท้จริงเราได้เอาสัญญาสัญญาแก้วงวนอิสราอินะวงวานอิสราอินบันีววนอิสราอิ น, น, อนว่าอาร์ซันาอิลัยฮิมรู้สุลแลและได้ส่งบรรดาศา ส, สนาทูตมาอย่างพวกเขาไม่มีกลุ่มชนใดที่จะได้รับมีการส่งศาสนทูตมาเยอะกว่าเท่ากับบันิสราอินอี่แล้ว ต้องคิดดูนะว่าต้องขนาดไหนเพราะว่าแน่นอนว่าเอลลารถจะส่งสันทูตมาใ น, ในภาวะคนที่คนที่ดือ้อนะแม้กระทั่งอาหรับเองตอนที่นบีนั้นได้ถูกแต่งตั้งมาก็เป็นสังคมยาฮิลียานะปริสราอีนแม้ว่าจะเป็นกลุ่มชนที่นะได้รับนะการยกย่องนะครับนะแต่ส่วนหนึ่งพวกเขาเนี่ยก็คือว่าส่วนหนึ่งที่มีเพราะคนดีเขาก็มีนะเยอะแยะเลย ที่ศรัทธาต่อหรแต่ในส่วนหนึ่งก็คือเขามีการในกลุ่มชนเขาเนี่ยมีการส่งรอซูน ล, ลงมากุลละมาจาหุมรอซูลุมบิมาลาต้าวะอันฟุสุหุมฟารีกอมกัฎฐาบูวะฟารีกไอยะกตุลูนทุกครั้งที่ศาสนาทูตคนใดนําสิ่งที่จิตใจของเขามาไม่ชอบ เวลาที่นบีเราซูนนำสิ่งมาเผยแพร่แล้วใจเขาไม่ชอบกลุ่มหนึ่งก็ปฏิเสธเพราะว่าสอนไม่ถูกใจในยุ่งกันนะถ้าสอนให้ถูกใจในี่พังจะแม่ฉันไปบรรยายอาจารย์ทำไงดีลูกฉันเป็นตุด๊ดเอาเลยจ้ามีฮะดิษบอกเ ป, เป็นไรโอ้ยยุ่งสอนเอาใจเฉยก็ต้องบอกว่าไม่ได้บาปสมมุตินนะ่ะได้ไหม คือคือคนเราเนี่ยมันมันเก่งใจมนุษย์กันไม่ได้หรอกเพราะถ้าเก่งใจมนุษย์ในหลักการเอาล้อเพียนเนี่ยุ่งเลยก็ต้องพูดกันตรงๆนะอัน<ล>นี้ร <laughs> ับไม่ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งนะอย่าแล้มาถามฉันนี่ต้องตง้องทําใจนิดนึงเนีเพระาะว่าฉันจะไม่เอาไม่เอาตามใจคุณผมต้องเอาตามหลักการศาสนานะอัน น, นี้นบีเนี่ยถูกส่งมาพอไม่ตรงใจมาทำไงไม่เชื่อเลยกไม่เอา นโต้แยงแ้งเลยไม่เอาไม่ฟังนี่เหมือนกันนะสังคนบ้านเราเนี่ยไปเรียนจบมาหลอ่อตอนไปขึ้นไปส่งขึ้นครบินเนี่ยยัดตังให้กลับมาสอนนะต้องเอาต้องกลับมาสอนนะในชุมชนพอเขาสอนปุ๊บไม่ถูกไม่ถูกใจไม่เอามึงแล้วไม่ฟังนี่ไงแล้วให้เขาไปเรียนหนังสือมาอ๋อถ้าสอนถูกใจแต่ไม่ถูกนะอันนี้ชอบเออ น, น, นี่มันคนมันกับแปลกนี่มันนิสัยใครเนส่ยไสฮูดเขาอย่ามาใชา้อ่า แล้วก็หนักกว่านั้นยาฮูดเป็นไงกัเซบูว่าฟรีกอนยากตุลูนกูฆ่ามันเลยนะฆ่ารอซูดเลยมีโดนไปนบีระกริยาใช่ไหมระกริยาอีกคนหนึ่งนบียะฮยาโดนฆ่าโดนตัดคอเลยนบียะฮยานะฮาซีบูอัลเลตากูนฟิตนะพวกเขาคิดว่า จะไม่มีการทดสอบใดๆเกิดขึ้นรู้ไหมเหตุที่เขากล้าดื้อกอับรอเนี่ยหรือดื้อกับรอซูนเนี่ยเขามองว่าหลังจากเนี้มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนเราเนี่ยนะถ้าเชื่อว่ามีโลกหลังความตายรอเราอยู่เนี่ยเราไม่กล้าหรอกอ่าทำไมบางคนเนี่ยขอโทษนะแค่เงินไม่กี่บาทเนี่ยไม่กล้าหยิบเลยนะสมมุติเนี่ย เ, เราทอนสตังค์ไปขาดไปบาทหนึ่ง นี่วันก่อ น, นี่ฉันเจอเต็มๆเลยใส่โต๊ะอย่างงี้แหละฉันนี่แหละไปซื้อไข่ร้านหนึ่งไปซื้อไข่เสร็จปับ๊บราคาเนี่ยเขาแปะเอาไว้เบอร์ศูนย์ร้อยสามสิบสามบาทอย่างถูกเลยฉันคนใจตลาดฉันรู้ดิไข่เบอร์ศูนย์รอยสสามไม่มีหรอกฉันก็บอกไข่มันลดราคาเยอะไว้ผมก็เลยซื้อบอกว่าเอาแผงหนึ่งแนะ่แล้วผมก็ไปเดินซื้อปรงซื้อปลาต่อพอกลับมามันขึ้นเป็นร้อยสามแปด เมื่อกิ้ร้อยสามสมอยู่เลยไม่ไม่ผิดแล้วก็เจ๊คนนึงก็ดังกําลังกาวหัวแล้วก็บอกว่าไอ้ลูกน้องมันแปะป้ายผิดตะกี่วันแล้วเนี่ยถึงว่าทําไมขายดีร้านฉันเพิ่งเข้ามาเจ๊เนี่ยเพิ่งเข้ามาเจอของร้านตัวจริงเข้ามาไอ้ลูกน้องมันแปะป้ายผิดเป็นร้อยสามสิบสามแล้วคราวนี้เนี่ยเราคุยกับเขาไว้แล้วว่าเราซื้อร้อยสามสิบสามคราวนี้เวลาฉันโอนฉันโอนราคาเต็มข้างบน เขาบอกโอ้โหท่านผู้ทรงศิลดีมากเลยนะเนี่ยเขาบอกกี่บาทฉันก็ไม่อารอทำไมฉันจะไปเอาทำไมสี่ห้าบาทแล้วฉันบอกพี่รู้ไหมผมเน่เอกใจแล้วผมราคาเนี่ยไม่มีถ้าถูกกันเนี่ยผมว่าโดนแจ้งจับนะขายได้ไงเบอร์ศูนย์ร้อยสาสิบสามจริงร้อยห้าสิบกว่านะรู้เปล่าถ้าตตลาดทั่วไยตอนนี้ร้อยส่ิบยังซื้อได้ อ่ผมจะเอาอีกเพิ่มอีกนี่กำลังโทรบอกไป็มาเมาเว้ยหลานนี่ถูกกับน้องจองอีกน้องจองร้อยสี่สิบเลยเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าเนี่ยเอาผมจ่ายราคาเต็มนะเขาก็ขอบคุณยกมือไหว้ผมใหญ่แล้วก็คุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็เดินออกไปกลับมาบ้านรู้ไหมผมลืมกดโอนพอมาดูใน F F, เอฟเฮ้ยแลากูยังไม่ได้จ่ายค่าไข่ดีว่ายุ่งเลยกลับมาบ้านปวดหัวเลยโูทำไงดีเนี่ยไม่ได้จ่ายเขา ผานไปอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เพราะว่าผมไม่ได้เข้าตลาดวันนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งผมไปก็ไปเจอลูกสาวผมก็บอกว่าผมมาจ่ายค่าไข่ครับงงลูกสาวเขางงเนี่ยแม่มีคนมาจ่ายค่าไข่ไม่ยอมเอาไข่ไปด้วย <laughs> <laughs> เขาจะมาจ่ายค่าไข่ก็เลยโทรบอกอ๋อพี่คนนั้นใช่ไหมจําได้จําได้ก็เลยโอนเข้าไปอผู้ทรงศีล <laughs> จําได้ นั่นนะเกือบไปแล้วขี่โกงฉันเนี่ยคิดเยอะเลยเกิดมันไปลงเฟซนะไอนี้มิจฉาชีพแต่งโต๊มาหลอกเอาไขรกินไปฟรีฉันโดนเลย <c oughs> <c oughs> แต่เขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเคยมีแบบนี้จริงๆคือเขาสับเพ้าด้วยหนึ่งคือจำไว้เลยนะมันก็ต้องคนที่จะขายของเนี่ยดูซะหน่อยโอนไม่เช็กก่อนไอนี้ก็ไม่เช็กไงคิดว่าผู้ทรงศีลไงไม่ใช่ <c oughs> ไอแล้ก็ลืมกดยืนยันมันหายไป ไม่ได้คิดจะโกงเลยแต่คุณก็ต้องเช็คด้วยไงเหมือนกับนับตังค์อ่ะถามบานที่เรานรับตังค์ผิดไปมันหายไปเขาก็มาดิจตนาโกงแต่เราไม่เราไม่ละเอียดเองอพอเราไม่นับปุ๊บก็จะมาโทษเราคนเดียวก็ไม่แต่แก ก, ก็ไม่ดูอะ่ะสุดท้ายผมก็จ่ายเข้าไปเขาก็บอกว่าจะเอาจะเอาราคาจะเอาราคาเหมือนวันนั้นมันลดอีกไงลดมปอีกสองบาทผมก็จ่ายราคาเท่าเดิมก็คือร้อยสามสิบแปด โอ้โยเขาดีใจใหญ่เลยบอกเออมีคนแบบนี้ในสังคมนะมีโดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมที่ดีนะจะเป็นแบบนี้แหละเขาจะไม่โกงหรอกบาทสองบาทเขาก็ไม่โกง อ, อันนี้เขาเรียกเขาเรียกเราผู้ทรงศีล <c oughs> <c oughs> ผู้ผู้ทรงผู้ทรงคุณธรรมอะไอยงนั้นแล้วกันนะอ้าวต่อมาฮาซีบูอาลานะกูฟิตนะเขาไม่คิดไงครับว่ามันจะมีฟิตนะหลังจากนั้นมาโกงบาทสองบาทจะเป็นอะไร แต่รู้ไหล่ะโกงบาทสองบาทวันกี้มัดไหวแบกไหมล่ะที่ดินคืบเดียวเนี่ยลงไปเจ็ดชั้นไววแบกเหรอเลื่อนเสาหลักทีหนึ่งบาปขนาดไหนทำเลยล้มเข้ามาที่คนอื่นเ้าเนี่ยบาปขนาดไหนเนี่ยมันบาปเท่านั้นแหละถ้าเราเชื่อนะว่ามีรอกหน้ารอเราอยู่นะพวกเขาจึงได้ตาบอดหูหนวก น, นี่ฟ้าอาฟาอามูหัวซอมมูทาเป็นไม่เห็น ไปโกงเขาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาจะว่ากนด า, ากูก็ไม่สนกูได้ประโยชน์กูไม่อายซะอย่างก็เลยทําเป็นคนตาบอดหูหนวกไม่ทาไม้สนอะไรซุมมาตาบ้าอะไร ห, หิมเกิดสังคมทัวลงเยอะยะไปไงกลับมาเป็นคนดีขอโทษอีเลี่มันมีไหมมันมีแนะ่อีพวกแบบเวลากระแสมาแรงๆนะยอมดีโอ้ยนั่นเลยพอกระแสหายปับป๊บไปไงซุมมาโมซุมมาซ้อมูเอาอีเดิมอีเลเ้ว ทำแบบเดิมอีกแล้วไม่เค็ดไม่ลาบาตีบทตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเสียใจจ่าพอถึงเวลาจริงเอาอีเล้วยกาซีรุมมินหุมพวกนี้เละเยอะมากเลยในสมัยยาฮูดยาฮูดจะมาอ้อนวอนนบีเวลาเกิดเกิดเรื่องใช่ไหมเกิดภัยมาแล้วโอโยนะบีจ่าช่วยฉันด้วยพอนะบีให้โอกาสทอร์ดอีกแล้ว ว um ah ่าลอฮุบาซีรุมบีมายะมะลูนนะเป็นจํานวนมากในหมู่พวกเขาและอัลลอฮ์ผู้ทรงเห็นสิ่งที่พวกเขานั้นได้กระทําไว้อัลลอฮ์ทรงเห็นในสิ่งที่กระทาไว้นั้นถ้าถามเขาถามเขาบอกว่าพี่จะไม่มาไม่จ่ายเนี่ยเขาถามฉันนะเขาบอกไม่มาจ่ายเขาก็คงตามไปตัวไม่เจอหรอกเพราะว่ามันเยอะแต่ว่าด้วยกวับความที่เรารู้อะไม่ได้ติดอยู่ในใจเลยต้องผ่านไปเลยแต่ ต้องผ่านไปจ่ายให้ได้ดังนั้นเวลาที่เราคดโกงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันไม่สบายใจหรอกจริงไหมมันไม่สบายใจหรอกนั่นแหละแสดงว่าเป็นเครื่องหมายของควคนดีนะเวลาเราทำอะไรที่ไม่ดีไปโกงอะไรแล้วเราไม่สบายใจเนี่ยนั่นแหละคือเครื่องหมายคนดีคนที่กลัวนรกเวลาฟังเรื่องนรกแล้วตัวสั่นอาจารย์เออฉันกลัวแล้ว เ, เกินฟังแล้ว บางทีน้ำตาไหลนะหวาดกลัวอันนี้คนดีไม่คนดีคนดีนะแต่ฟังเรื่องนรกแล้วก็กลัวเนี่คนดีฉันกลัวเป็นบุญนาฟิกจังเลยนี่คนดีเพราะไอ้คนชั่วทั้งหลายเนี่ยมันไม่กลัวหรอกพวกเนี้ยมันทําบาปโดยที่มันไม่สนใจนั้นเวลาเราทําบาปแล้วเรารู้สึกว่ายังละอายอยู่ยังมีความรู้สึกว่ามันกังวลใจเรารู้สึกไม่ดีเลยเมื่อกี้ด่าเข้าไปด่ามันเมื่อกี้มันมากแต่พอด่าไปสึกกลับมาบ้านโอ้ยไม่น่าว่าเลยป่าฉันเร็วไปหน่อยนั่นแหละคนดี นี่คนดีนะอย่างน้อยเราก็ยังมีจิตสํานึกว่าไอ้ที่ทําไปเป็นไงไม่ถูกต้องมันไม่ดีเราต้องแก้ไขปรับปรุงแต่คนชั่วจริงๆเนี่ยมันไม่สนใจหรอกใครจะด่าจะว่ามันไม่สนปจเพราะเหตุอะไรปะเพราะเราบอกว่าเพราะเขาไม่คิดว่าจะมีการทดสอบหลังจากนี้แล้วใช่ไหมไม่คิดว่ามันจะมีการทดสอบหลังจากนี้ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทําไปมันจะมีผลคนเป็นลูกไม่กล้านเนรคุณพ่อแม่เพราะรู้ว่าต่อไปเรามีลูกเดี๋ยวเราโดนแน่ เราก็ต้องทําดีกับยอ ก, กับมะเรานะดังนั้นตรงนี้เองนะครับอัยยานี้เนี่ยนะสำคัญมากๆคืออาลาตะกูนะฟิตนะสาเหตุที่พวกเขาดื้อกล้อพวกเขาทําเป็นหูหนวกตาบอดเพราะเขาไม่คิดว่าจะมีบททดสอบหลังจากนี้แล้วซึ่งของเราเนี่ยมันมีทั้งบททดสอบที่อยู่ในดุนยาบางเรื่องเอาล้อยเห็นในโลกนี้เลยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณรอดโลกนี้คุณจะไม่เจอโลกหน้าโลกหน้านี่หนักกว่าอีกโลกหน้านี่หนักกว่าอีก แต่เราก็อย่าอย่าอย่าให้ได้โลกนี้เพราะว่ามีซอบ้าคนหนึง่งเป็นคนดีมากเลยแกขอกับอัลลอฮ์บอกว่ายาอัลลอ์ถ้าฉันมีบาปอะไรก็แล้วแต่นะขอให้อัลลอฮ์เนี่ยลงทันฉันในโลกนี้เลยอย่าได้ให้เหลือในโลกหน้าเพราะขอแบบนี้อัลลอฮ์รับปั๊บเนี่ยป่วยเลยจากคนเดินเดี่ยวแรงดีกลายเป็นลูกไก่เลยนอนแย่เลยนะบีไปเยี่ยม น บ, บีรู้แล้วว่าไปขออะไรมาน บ, บีรู้ใช่ไหมน บ, บีก็ถามว่าไปขออะไรมาเนี่ยฉันขอว่าถ้าฉันมีบาปอะไรขอให้อลัลลอฮ์เนี่ยลงโทษฉันในโลกนี้เลยเพื่อจะให้ไม่รับโลกหน้าน บ, บีบอกแกขอแบบนี้ไม่ไหวหรอกแ ล, ล้วอัลลอฮ์ทํานี่ไหวไหมเนี่ยแย่เนีเ่ยอัลลอฮ์ส่งมาได้ไหวไหมไม่ไหวนั้นขอให้ได้รับความผาสุกทั้งโลกนี้และโลกหน้าขอสองโลกเลยรบบน า, า, น า, ญญ า, านาอตินาฟิดุลยาฮะสนะเป็นที่มาของดวงอันี้ อัลลอฮุมอบรับบันาอตินาฟิดุนยาฮัสนะว่าฟินอาคราตีฮัสนะวากินาอาดาบันนัดพราะอ่านดูอ่านเท่านั้นแหละลุกป๋อเลยอันนี้อยู่ในหนังสือนะอ่ตาซีนุกัซีนี่แหละพราอ่านดูอ่านนี่เราลุกป๋อเลยเพราะไปขอดูอ่านผิดไปขอให้อัลลอฮ์ลงทันในโลกนี้แต่เขาเนืดดีนะเพราะเขารู้ว่าโลกหน้าเนี่ยมันหนักกว่าเขาขอโลกนี้เลยแต่จริงๆเวลาเราขอยอมไปขอแบบนั้นขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษทั้งโลกนี้และโลกหน้า ให้พ้นไปเลยยัาเอามาทำไมล่ะขอไม่ดีนะเออขอให้ฉันแข็งแรงถ้าป่วยขอให้ป่วยน้อยไม่ต้องขอแบบนี้นะขอไม่ให้ป่วยเลยไม่ใช่ขอถ้าป่วยแล้วขอให้ป่วยน้อยหน่อยนะไม่เอาจะไปขอทำไมให้ป่วยขอให้แข็งแรงขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่ขอป่วยสิอืมอ่ะ سبحانك اللهummahوبيحملكأشهدوallahإلههإلاانتاأستغفروكوأتوبوإليالسلاموعنايكومورحمتullahوبركاته